ฟังธรรมกันด้วยหนึ่งพูดผู้หนึ่งฟังธรมเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีจริงเพราะปฏิบัติธรรมเพียงธรรมะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมธรรม ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมก็ทำให้เกิดเป็นพุทธะแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นผู้ลู่ตามพเจ้าหรือว่าหมู่พระสงฆ์พระทรรม้่น ท, ที่ทำให้เราปฏิบัติถ้าจะว่าเราพระปริจ้าหายของที่ควมขึ้นไปแล้ว เปิของที่ปิดออกแล้วเฉวนจิงเฉนเฉนจิงที่เป็นชื่องออกหมดแล้วแล้วก็ได้ประกาศกล้องแล้วขอทำอย่างนี้ให้เว้นอย่างนี้จิงที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มีอยู่ทำไมเราได้เห็นเหมือนพืชเจ้าสอน เราก็ไม่ต้องสงสัยชลาใจปฏิบัติลงไปในสิ่ที่ไม่ดีให้มันดีสิ่งที่มันถูกก็มันถูกเราต้องไปชี้เหตุผลอันใดปฏิบัติทำเราก็เห็นอยู่การเหตุไม่ใช่เหตุผลมิแต่ปฏิบัติลงไปเลย เรามีชติเป็นกายกายเราก็มีก็เอากายมาเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมาก็ทำได้มีมือขู่ฉขนเข้าก็รู้สึกระลึกได้อยาเฉนดอกก็รู้สึกระลึกได้ มีความรู้สึกระ้ึกได้ที่กายที่มือก็เห็นอาการที่เกิดกับกายขึ้นมาก็ยอมมาเป็นตัวเป็นตนโซนกายขึ้นมาเห็นเป็นกายอันเดียวสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกนต์ตัวตนโลกเขาเนี่ ปบัติแบบนี้มีความเหยนอย่างนี้ทำให้เป็นอย่างนี้จะมีตัวมีตนไปกับกายอีกเท่ากายนี่เป็นสเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์สิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกายเนีย่ยเข้าใจสมบัติอย่างนี้แค่ไหนเพียงไร หรือว่ากบเกือนววาอยู่ถ้าชมบัดดีๆแล้วไปไกลนะคำว่าเห็นกายสวากายไปไกลไกลถ้าไปในทางที่ถูกถ้าไปในทางที่ผิดก็ไปคนละทิศอีกห่อเราทำยังไงกันแนะ่เรื่องอย่างนี้ทำเชื่อไหนเพียงไร ให้เกิดละอขึ้นมากมายถ้าไม่เห็นอย่างนี้เราจะมาเห็นใหมันชัดเจนชะกายสภาวะกายก็จบไปแล้วเรื่องกายจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะตีเห็นแล้วสภาวะกายเป็นกายจริง เราเห็นการเห็นเป็นรูปเป็นรูปจริงๆรงรูปกายมันก็มีสุขมีทุกข์จริงๆริงสุขกัทุกข์ประสาชาตาหรือว่าสารว่าเวทนาประฉาเราที่เราสัมผัสหรือว่าสุขทุกข์นั่นและสนานการที่เกิดขึ้น ก็เรียกว่าเวทนาศัก hmm. ว่าเวทนาหรือว <right. S 1> ่าเราเรียกว่าสุขว่าทุกเท่านั้นก็พอไม่ใช่ัตวุคนตัวตนเราเขาอันที่เป็นสุขกันทุกนัานไม่ใช่ตัวเราเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกายอันสุขกันทุกนั้นไม่ใช่ตัวเชื่อตน สุ ก, ก็คือเราทุกคือเราถ้าสุกคือเราทุกคือเราเราก็ไม่ทำตามทำไม่ปฏิบัติตามทำผิดเลอเส็แล้วไปคนละทางเส็แล้วออาให้ทำให้แยบคายชัดเกล็นแม่นยามดูดีดๆเอาเห็นทุกข้างที่มันเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเวทนาแล้วก็ไปไกลง่ายๆทำให้เฉื่อยไปไว เรืกายก็เฉดไว้ไว้เรื่องของสุขทุกข์เฉ็ดไว้ไว้เฉดไว้ไว้เฉีดง่ายๆถ้าทําไม่เป็นเรายากยากผิดแล้วผิดอีกแก้แล้วจะอีกเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ทุ ก, ก, ทกขก็ทุกข์สุขก็ถูกก็เป็นอยู่นั่นก็เคยคิดได้เรื่องนั้น ถ้าสุขก็หัวเลาะถ้าทุกข์ก็ร้องให้เป็นการแบบนั้นเพราะไม่ปฏิบัติตามธรรมก็จะว่าแล้วสุขพระพุทธเจ้าก็เขิอนอกแล้วทุกข์ก็เขิอนอกแล้วเหลือแต่สักแต่ว่าให้เราเลือกผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ ก็จบได้ผ่านง่ายปฏิบัติเคยเปลี่ยนมาเป็นากดีจากแต่ว่าเนี่ยเพียงพอนะถ้าจะศึกษาเรื่องกายจบไม่ง่ายจากแต่เริ่มต้นเหมือนเราเรียนหนังสือตัวอักษรจบแล้วตั้งแต่เริ่มต้น มมีอักษรไหนอีกที่เขียนขึ้นมาตัวเลขก็เหมือนเดิมเรื่องที่ตัวเราเนี่ยก็เหมือนอันเก่านั่นแหละอันเก่านั่นแหละเราไม่ต้องไปหาคมตอบไปช่วยไปคิดเหตุคิดผล คิดที่มันคิดมีมันเป็นวิญญาณธาตุชนิดหนึ่งที่มันเกิดอยู่กับกายเรียกว่าลุเรียกว่านามธรรมเราลุอะไรได้คิดเป็นเมื่คิดก็ไม่ไปหามันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นว่าจะมีความรู้สึกปัญญาการเกิดคิดขึ้นมานั่นแหละเป็นสูตรอันหนึ่งเด่น อ้จือก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์คุคคลตดลงโลเขาตอบอย่างเดียวหมดประกาศอังนี้มาแล้วประกาศกล้องแล้วเพื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็เห็นเหมือนพระเจ้าสร้างความเห็นขึ้นมาทำในใจให้แยกคลายขึ้นมาเกี๋ยวก็จิตที่มันคิด สักแต่ว่าจิตไม่ใช่ตัวใช่อตนอย่ามาอย่าเอามาเป็นตัวเป็นต้นถ้าเอามาเป็นตัวเป็นตนก็เป็นพบเป็นชาติจากจิตที่มันคิดเฉยเฉยดีได้เั็นสุกเป็นทุกข์เพริตสุขทุกข์เท่านั้นเป็นตัวเป็นพบเป็นชาติก็มีการเกิดจะกจากตาจากความคิดได้หลายพบหลายชาติ เ, เ, เกิดเจริญใจจากกาหลายภพหลายชาติ เ, เกิดเจริญใจากเวทนาสุขทุกข์หลายภพหลายชาติสมบั ด, ดูดีๆได้ประโยชน์มากๆถ้าสมผัสิไม่ดีก็ไม่ค่อยจะประโยชน์ไม่ชมํชนาน้ชํานานไม่ได้ผลเรียนไม่ได้ประสบการณ์ มันมีให้เกิดความประสบการณ์เราจะเป็นพุทธะก่อขึ้นตรงนี้พระธรรมก็เก่อขึ้นตรงนี้ธรรมจะรักษาเราต่อไปก็ก่อตั้งจากตรงนี้มีขึ้นตรงนี้อุบัติขึ้นตรงนี้ก็เห็นธรรมก็เห็นตรงนี้เห็นได้ว่าสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขา แล้วก็ต่อไปเป็นคู่อาการที่เกิดจากจิตตัวธรรมมีสุขมีทุกข์มีความสงบมีความผงกสาดมีความโลเลสงสัยมีอาการต่างต่างก็เกิดจากความคิดต่อไปอีกก็จากตั ว, ว่าธรรมมีธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรมที่เป็นฝ่ายขาวธรรมดำธรรมขาว ทำดมคือบอบเปันทุกข์ทำขาวคือเป็นบุญคือมีความสุขก็อย่าไปติดให้เห็นจกแต่ว่าทมอย่าไปกับมันอย่าไปหลงอย่าลูกอย่าสุกขสนต้องจะเรียนรู้เรื่องธรรมเพื่อให้เกิดชีวิตที่ได้ไม่หนึ่ เก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไปปฏิมาถ้าไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามธรรมมัก็เกิดแียเจ็บตายได้ในความสุข ก, ก็ตายในความสุขในควมทุกข์ก็ตายในความทุกข์ในความพอใจในความไม่พอใจก็ตายในความพอใจไม่พอใจใเห็นก็จะให้เหนือ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 พอให้สุกเป็นสุก่อให้ทุกเป็นทุกพอให้ทำรรมันเป็นอกุศลครอบงำก็เห็นเป็นคู่แบบนี้ถ้าเห็นสีลักษณะนี้หลุดได้ง่ายให้คุญแจแ ช, แช่สู้หลุดไปได้เลยล่วงพ้นไปด้วยได้เลยหลุดพ้นจากนี้ไปได้เลย ก็ง่ายมันมีสูตรอย่างนี้แล้วก็ไปแตกแขนไปเองผิดมันบอกถูกมันบอกถ้าไม่สวดพ้นตอนนี้ไม่ศึกษาตอนนี้ก็มาดีขายกุญแจแจโชก็ติด หลงในความสุขหลงในความทุกข์หลงในอาการที่เกิดกับกายหลงในอาการที่เกิดกับใจเอาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องอาการที่เกิดกับกายกับใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ทั้งที่ไม่มีอะไรไหนว่าทุกข์มันอยู่ไหนไหนหรือว่าสุขมันอยู่ไหนเป็นรถของโลก สัตว์โลกจมติดรถของโลกเราจึงมาศึกษาดูดีๆมีความเห็นในแม่นยอเชัดเจนทรลุทะลวงบ้างนี่สติสมชญาช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยตึนแรงเสริม ตั้งไว้มีการกระทำมีการประกอบครายสติลงไปอย่าเพิ่งแปลว่าเฮ็ดเอผลอย่าหลุดออกไปตั้งไว้ก่อนอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนเมื่ออาศัยกรรมฐานคือที่ตั้งไห้มันก็แจก้ามันก็หนักแน่นล้วก็งอกงามเหมือนต้นก้าที่ปลูกลงดิน มันก็งอกงามมันมีเป็นธรรมชาติผมรู้สึกตัวก็มีที่ตั้งไว้ก่อนต่านี้ผมรู้สึกตัวที่ม่เป็นเพราะที่รู้ที่เห็นให้มันก็งอกงามขึ้นเพราะมีที่ตั้งแล้วมีความเพียรแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็เชื่อเป็นอาหาร ศัทธามีความเพียรมีสติมีความตั้งใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หลุดลายจะแย่แรงเสริมก็เหมือนต้นกล้าต้นไม้ก็เหมือนมีดินมีปุ๋ยมีน้ำมีจีบดลอมที่ดีก็งอกงาม ในตัวเรานี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ที่ตั้งเวลานานมีสติอยู่เห็นกายส่ากายความงามในพระที่เกิดการเห็นจภกว่างามขึ้นงามขึ้นจะสินก็เกิดตรงนี้ด้วยกายสะวาวะกายมันเชิสัตว์บุคคลตัวตนเราเขอา จิตก็ไม่เดเป็นอะไรอีกมันก็หยุดเช่นนี้ก็เกิดเป็นศินขึ้นมาหัดไปหัดไปเชื่มอมแขวงขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นอยู่บ่อยๆทํำอยูบย่บ่อยๆปฏิบัติอยู่บ่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาอ่านคำว่าเห็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตๆโลเขา ว่าใช่เห็นเฉยเฉยมาพัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาศีลก็ไม่เป็นศีลเฉยเฉยเหมือนก็อนหินนิ่งอยู่นั่นศีลก็กำจัดกิเลสขูดเกาสมาธิกําจัดกิเลสปัญญากําจัดกิเลสอ ย, า ย, ายา่างหยาบอางกลางอย่างละเอียดอ้มสับไปในตัวเลยศีลที่เกิดจากกายเกิดจากที่เห็นเวทนาสภาวะเวทนา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 แต่ขอเห็นรูปํามเห็นนามํามขึ้นมามันมีหลักไม่ฐานไม่มีสูตรมันบอกให้เรามันสอนเราไม่ใช่เราสอนมันเอาจริงจงแล้วรูปมันสอนนามันสอนความเทศจความจริงไม่มีคำถามมีแต่สัมผัสมีแต่ลูกเองตอบเอง ถ้าธรรมชาติมันสรนรูปมันสนนามมันสอนอาการที่เกิดกับรูป ก, กับนามมันสรนผิดมันสนถูกมันสนได้ความฉลาดจากปัญหาได้ปัญญาจากปัญหาไม่ใช่งู ปัญหาปัญญาเกิดจากกองลูกกองนามนี่ตั้งต้นจากกายสภาวะเวทนาสตาวิเวทน า, า, ทนาจิตสักวะจิตธรรมสวะธรรมนี่แหละเป็นที่ก่อเกิดเป็นสูตรตั้งต้นเป็นหลอกท้อมเป็นปริยัติธรรมเรียนรู้รูปแบบพบเห็นไม่ใช่รูปแบบจำในสมองไม่ใช่สมอง มันแบบพกแบบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นไม่มีการพกเห็นก็มีการหลุดพ้นถ้าคิดเห็นมันไม่ใช่หลุดพ้นเช่นเราเห็นงูพกเห็นจึงหลุดพ้นจากงูเห็นลูกเห็นกายจึงพ้นจากกายเห็นเวทนาจึงพ้นจากเวทนาเห็นกิจจึงพ้นจากกิจเห็นธรรมจึงพ้นจากธรรม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 เมื่ออยู่ในกายก็ไม่ปลอดภัยถ้าเห็นก็ปลอดภัยเรื่องเกิดที่กับกายเ่เมื่อเห็นเวทนาไม่ใช่อยู่ในเวทนาเห็นเวทนาก็ปลอดภัยถ้าเวทนารปสุกันทุกข์ก็ไม่ปลอดภัยมันเห็นกับเป็นสุก็นสุกทุกันทุกข์รอวเป็นเห็นสุกเห็นทุกข์รัวเห็น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 มันเราขึ้นบันได้ขั้นแรกก็สำสุนเราขึ้นขั้นที่สขั้นที่สขั้นที่สบางทีผู้มีกาลังขึ้นหน่ยพุทธทีเดียวบางทีคนไม่มีกาลัง ข, ลขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันกำลังในเรื่อง ข้ามพ้นไม่ใช่เอากำลังคนดมว่าก่เอากาลังห่ศรัทธาเอากลังความเพียรเอากำลังแห่งปฏิบัติไม่ใช่กำลังหนุมหน่มๆแก่ๆคนแก่ทำมา ไ, มได้คนหนุม่มทำได้ไม่ใช่แบบนี้กำลังอเ ม, มพละฮะศรัทธาพละ วิยาลสติพรลสมาธิพะยะปัญญาเลนี่พลังพลังห้าเป็นกำลังที่ทำให้ล่วงพ้นได้มีกันทุกคนศรัทธาไม่ไดไปขอขายเชื่อการตัดสลูกของพระเจ้าเชื่อว่าธรรมะบาปุลมีจริง บาปนำไปสู่โลกจริงบุญระสูนองไปสู่สุขติจริงอาศสงต่างกันมีมนมผลต่างกันจริงร้องโกรก็ก็ริงมาได้นอนหลับไปดีก็นอนหลับกินได้จะร่าก็เป็นทุกข์เป็นโทษจะดีก็เป็นประโยชน์ เราจะมาศึกษาหมาจบสากตั้งแต่หนุ่มๆอย่าให้เข้าให้เจอจะได้มีชีวิตสะดวกสบายไปยาวนานแล้วก็ก็พอจะสะดวกกับปันเสษาเรื่องนี้มีชะตาตั้งแต่ต้นแล้วเคยบวชให้ พระให้สงฆ์ลูกชาวบ้านพอเขาถือผ้ามารับมาม่อผให้เราเราก็ถามเจ้านาคว่าใครบังคับมาให้มาบวชใครบังคับให้มาบวชพ่าแม่บังคับมาบวชหรือว่าลูกเมียบังคับให้มาบวชลอยจังล อ, อยตอบว่า เมมาเองตั้งใจมาเองนั่นเรียกว่ามีทุนแล้วตั้งใจมาบวชเองไม่มีใครบังคับทาไมมาบวชที่นี่มันอยู่ในป่า ด, ดงอดจากลำบากก็ตั้งใจมาที่นี่สดมากเป็นอย่างนั้นไม่เรามาปฏิบัติมาเป็นนักบวชอาจจะสะดวก กัไปอย่างเองก็ได้บางคนก็อาจจะลำบากแบกมาก็มีเหมือนกันไอ้หลงตาก็แบกมานะมาบวชเองไม่ช่อยสะดวกนะนนนนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไระแยะมาเลยมาเห็นเพื่อนเขามาสบายสบายพ่อแม่พี่น้องมาส่ง มาเคียรเรามาบวชไม่เมียพี่ไม่น้องสักคนมาแบบจนๆคนเดินมาบวชเห็นมาสงขนข้าวขนของมาให้ผ้าชีวังก็มีแต่ดีๆเรามาบวชไปขอผ้าชีวัจากเก่าๆของเขามามาให้หลวงพ่อเทียนดูหลวงพ่อเทียนมา เปิดดูมันผ้ามันขาดนี่ผ้ามันขาดมันเก่าเออเอาไหมเนาะจานเราพ่อเถียงก็ลุกไปเอาผ้ามาให้ไหม <c oughs> มีไหมใครที่ที่เป็นอย่างนี้มีไหมไม่เคยเห็นใครต่มาบวดนี่แต่ผ้าดีๆตอนที่เราบวดโอ้ย แ อ, อกไหวามากระโปกกระเปกมาปอนอะไรมามากม า, มาไปได้บัดแต่มาเห็นเพื่อนเขามาลาบากแล้วก็มาแบบหล่อมมาเห็นเพื่อนมาแบบสะดวกก็มาลําบากแต่ว่าก็เปรียบเทียบกันเสมอเราจะเล่นเหมือนเพื่อนไม่ได้ เราทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งพ่อทิ้งแม่ม า, ท, ท, มมาทิ้งการทิ ง, งานมาก็าจะไปะเล่นแบบนี้ไม่ได้เขาดื่มเอื้องกันดื่มน้ำคุยกันแล้วก็ลีกไปไม่ใช่เรามาแบบนี้ถ้ามาแบบนี้ก็สบายมาสบายอยู่สบายแล้วมาลำบากก็ต้องต้องจะศึกษาเอาหลองเขียนเป็นเกณฑรูปเดียวคนอื่น ดีขนาดไหนก็ไม่สนใจชั่วก็ไม่สนใจแต่ว่าสนใจเรื่องปฏิบัติอย่างเดียวอะไรที่ทำให้เราสะดวกอยู่ที่นี่พย า, ยามคิดให้มันเกิดขึ้นมาให้มันสะดวกป่าตามความสมาถแล้วก็มีเพื่อนมีมิตร แต่ก่อนมีตรหลังเพร่อเทียนผู้ดเดียวตนี้เวลานี่ก็มีเพื่อนมิตรมีครูอาจารย์หลายรูปมีผู้ดูเลยแต่ก่อนเอาเสริมแคร่งไม่มีโคด้ดไม่มีระไจัดขอไปอยู่ขอปฏิบัติ อยู่ก็ไม่มีเราก็พยายามให้มันสะดวกมาคิดเห็นเราหรอกสมัยก่อนเราพยายามไม่อยากให้เป็นเช่น น, นั้นอยากให้มันสะดวกโอสนับสนุนให้มาศึกษาดูแล้วเนยมันมีจริงๆนะในความหลงก็มีในความไม่หลงก็มีมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ ในความทุกข์มีในความไม่ทุกข์มันก็มีมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้นั่นแต่งานเรางานของเราแท้ๆงานของพระคืองานแบบนี้แล้เปลี่ยนหลงเป็นลูกถ้ามันมีแล้วมันไม่มีความรู้ก็มาสร้างความรู้ามาสร้างความรู้จากตัวอยู่เป็นประจําการสร้างความรูก้ก็ไม่ไปขอใครที่ไหน อุปกรณ์มีมือกู้เขนเข้ารู้สึกอย่าเขนออกรู้จึกเนี่ยมาสร้างตัวนี้ให้สิทธิ้อยเปอร์เซนต์แต่ไปทาแบบสะดวกสบายอย่านึกว่ามีใครบังคับให้มีศรัทธาจริงศรัทธาพาธรรมมีความเพียรใส่ใจ ใส่ใจยกมือมีเจตนาถ้ายกมือไม่มีเจตนาก็าเป็นอัตตกกะกกรรมกรรมที่ไม่มีผลหรือความเพียรมีเจตนาใส่ใจลูกมีวิชากรรมฐานที่ชัดเจนทำตามพระเจ้าสอนเอาพระเจ้าก็ทำหน้านี้คู่ชข่เข้ารู้จึก เย่อฉนออกด้วยสิก็เห็นกายที่มันนั่งคู่ฉันเข้าเหยืยอฉันออกนี่เป็นรูปที่มันคิดไปนู่นมันเป็นอาการที่เกิดกับรูปเป็นนามมาทำมันมีแต่ก็เห็นตอนไม้มาคู่ฉันเข้าเหยื่อฉันออกไม่เป็นอันนี้มันมีรูปมีนามก็เห็นไปแตกฉานไปยเหตการต่างๆมากขึ้นมากขึ้น รูปมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นมากเป็นสูตรนามก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากเป็นสูตรสูตรของรูปก็ทําให้หลงเยอะแยะทาให้ได้ความรูม้เยอะแยะสูตรของนามก็ทําให้หลงเยอะแยะทำให้ได้ความรูม้เยอะแยะ วิธีที่ศึกษาให้ลูกให้ถูกก็มีชุดเดียวไม่ใช่มีเครื่องมืออันใดที่ไปแก้แล้วก็แจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สิบเบอร์เท่าไรมาแบบนั้นไม่ใช่ควมลูกึกตัวก็มีอยู่ในความหลงควมลูสึกตัวมีอยู่ในความทุกข์ความลูกฉกตัวมีอยู่ในความโกรธควมลูกึกตัวมีในอาการต่างทั้งหมดเลยว่าแต่หัด ถ้าหัดเรามันจะใช่เองมันเป็นเองด้วยว่าหัดให้ไม่เป็นเองไม่ใช่ไปคิดถา้าไม่ใช่คิดถาเหมือนวัตถุสิ่งของนั้นเป็นเองด้ว่าทาให้เป็นทีแรกก็หัดรู้หัดให้เป็นรู้ไปในกาหัดรู้ให้เป็นทีเามาหลงให้รู้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 ก็สภาะวะกันไปไกับอีกันไปถึงมากถึงคนัญเลยไปกระเสไปผู้ปฏิบัติในหลักสติปัฏฐานตามหลักของกรรมฐานจะได้กระเสทุกคนเห็นก็สภาะวะกานเห็นเวทนาสวาวะเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสวาวะธรรมเกิดกระเสขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยพบไปเห็นแบบนี้ ทีแรกก็ก็ก็ ก, ก็ยอมลงไปได้น้อยเขาว่าสักแต่ว่าลงไปได้น้อยอันอื่นมันยังคุมอยู่แต่ก่อนก็ตัวเป็นตนเอากายไปเป็นกายโซนเกิดเป็นตัวเป็นตนตัเห็นจักแต่ว่ามันยอมลงไปยอมลงไปมันก็ได้พื้นที่ได้พื้นที่ได้พื้นที่อะไรเกิดขึ้นกายชั่วกายหนึ่ง ที่สังเกตมันจะเกิดสุกเกิดทุกข์ก็ห้สว่ากายสุกแต่ว่าทุกข์หย่อนลงไปหย่อนลงไปมันก็ได้ที่เมื่อบันลัยที่ก็ขายายออกก็ได้ที่อยู่แล้วก็จัตวาหว่านะเห็นมีจะติลงไปเวทนาก็มีจิติลงไปไม่ให้เป็นสุกเป็นทุกข์ความคิดก็มีจิติลงไ ป, ไ, ป, ป, ด ไ, ง ไ, ปได้ที่ได้พื้นที่ได้พื้นที่ ได้ชัยภูมิด้ยสิทธิมีอำนาจปฏิบัติเจ็ดขาดเป็นอย่างนั้นมันเรามีสิทธิที่ดินที่ทำอยู่ทำกินตามความชอบธรรมความชอบธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเรานี่มันมี คมหลงม่นชอบทำความไม่หลงมันชอบทำความทุกข์มันชอบทำความไม่ทุกข์มันชอบมันถูกต้องเราก็ได้พื้นที่ได้หลักฐานแบบนี้มันจะมีอะไรเหลือเกิดมาเกิดผลขึ้นมาง้องามขึ้นมาเมื่อความไปทำไป่อยขึ้นก็ง้กงามขึ้นมาทำก็รักษาผู้พุทธธรรม ไม่ให้ตกเป็นที่ชั่วทอมยอบวสอผู้พุถิพิถัอยู่เป็นนิดเป็นไปเองนี่เป็นทรัพย์บารีทรัพย์ของพวกเราทัพย์บแบบนี้ทำให้ไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็ บ, ไ ม, บ, ไ, มบไม่ตายเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พราเห็นกายก็ทิ้งไปแล้วไม่ได้เจ็ไม่ได้เจ็ บ, ดบพดไม่เอาการันเป็นเรื่องเจิดเรื่องเก็ บ, เ ร, เ, กบเรื่องตาย ไม่เอาจิมาเป็นเรื่องเกล่อเรื่องเก็บเรื่องตายเอาเป็นที่เอาเป็นที่ครึ่งมือให้ให้เหนือการเกิดเจลื่ับตยมาช่องสติปัญญาได้สติปัญญาเพราะเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนามนี่นี่มันมีรูปมีนามให้เราได้ศึกษาใช่ให้มันจบให้มันสำเร็จถ้าเราไม่ใช่มันก็ เหมือนพุ่งแผลไมาขี่ข้ามฟอกเราที่ยงเบืก็มีแต่แบกอยู่ในนั้นแบกแผว่ากูทั้งหมดสุขก็คือกูทุกข์คือกูคนแบกแผลไม่ขี่หลงคือกูพอใจคือกูไม่พอใจคือกูคนแบกแผลนอนอยู่ก็กู นั่งอยู่กูอะไรก็กูหมดตัวเป็นตนหมดวมันที่สุดแพ้ก็ผูพ้องไปอย่งอางองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยลเป็นทุกข์เสียชาติมาขี่ข้ามปากมันมีรูปมีดาว ม, มันหลงขี่ข้ามไห้มันไม่หลง <c oughs> มันทุกขี่ข้ามให้มันไม่ทุกมันโกรธขี่ข้ามเห็นไหมโกรธมันแจ็เก็บมันตายขี่ข้ามไปวิธีขี่ข้ามมันบอกอยู่แล้วว่าเห็นไม่เป็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากลมหลงเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพุทธเจากลมทุกเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจ้ากลมตาย ไม่ไม่เคยแจ่ไม่ไม่เคยเจ็บไม่ไม่เคยตายไม่มีจริงจริงไม่มีจริงจริงไม่ได้เก็บเพราะความเก็บไม่ได้แก่เพรความแก่ไม่ตายเพรความตายมันเป็นอาการที่เกิดกับลูปนามมันเป็นนาลูกน้ําจริงจริงมันไม่มีนี่นี่คือชีวิตของเราต่อยอดเอาอย่างนี้หัดให้เป็นต่นไม่หัด ก็ไม่เป็นอ่ามง่ายไปทางต่ำมาง่ายเหมอนน้มไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำมันง่ายควาสะดวกกวามเกียดติค้านถ้าบคนไม่มีกำลังที่แก้เรอนี้อะไรก็มักง่ายมง่ายการหลงง่ายที่จะให้ลู้เนยชวนกระเสือสักหน่อยแล้วก็ รถมันมีรถชาติสองโลกเั็นไปจะไม่สั่นโลกติดรถผงโลกเหมือนปลาติดเบ็ดติดสุขติดทุกติดโกติดโลกติดหลงกี่ที่เล็ดต้นน้าละคะติดลักติดชังติดมะติดความรู้สึกตัวเลยแทบจะไม่มีถ้าเราไม่หัดนะยิ่งมาหัดให้มันติดความรู้สึกตัวเลยมาใช่ที่นี่กันเนี่ยมา ดีไหม <laughs> <laughs> <laughs> เป็นด้วยตายด้วยกันเนี่ยเกย็บก่ติดป่วยดูแลกันอดจากดูแลกันนะมีอาจารย์มีเพื่อนมีมิตรอยู่เนี่ยกลัวทำไมเป็นเครื่องที่ต้องมาอุ่นตกอุ่นใจเนาะมัวแต่ ม, มัวเล่นอยู่หนีจจก็จะไปอยู่โพรงนะ นอนดี่โฟลงกัเนี่ยสบายฮสนุกดีอาสองคนเจอกันล้